เรากลับมาดูเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เรานั่งดูเอมิลี่อยเมื่อกี้ก็เกิดอารมณ์ปรุงแต่งมีความสุขหัวเราะใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่พอมันจบปับ๊บผมกอนั่งสมาธิพอรู้ลงเกิดอุเบกขาวินาทีก่อนนั้น ถ้าเราขยายช็อตขึ้นมาใหม่ขยายแบบเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เวลามันขยายส่วนเล็กๆออกมันจะเห็นเป็นช็อตแต่ละขนาที่มันถี่ขึ้นตอนดูเกิดอารมณ์ชอบใจพอผมหยุดปั๊บบอกนั่งสมาธิ มันกลับเข้าสู่อุเบกขาช่วงนะั้นเป็นช่วงที่ตกต้นมะพร้าวแล้วมองไม่เห็นมันรู้อีกทีมันอุเบกขาไปแล้วแต่ช่วงวินาทีที่มันวุบลงมาเนี่ยมันมองไม่เห็นจิตจะได้เห็นการปรุงแต่งแบบหยาบๆที่เกิดเป็นอารมณ์พอใจแต่หลังจะรู้ลงปับ๊บตรงเนี้ยเขาผ่านมาหมดแล้ะลงถึงตรงเนี้ยจิตรู้แล้วว่า เมื่อกี้นี้ที่เกิดอารมณ์พอใจมาจากการปรุงแต่งของข้างในผมถึงบอกให้ท่ำทํ ท, ทอย่างนี้ร้อยหลสิแล้วครั้งหน้าพอเริ่มเปิดมันจะเห็นปลายทางว่าสุดท้ายก็จบพอเริ่มกำลังจะสนุกสุดท้ายก็จบคุณค่าของสิ่งนี้จะหายทีละครึ่งครึ่งครึ่งครึ่งครึ่ ง, งจนแทบหมดเลยหลังจากนั้นจิตจะวางลงได้ นี่ใช้ปัญญาถอดถอนล้วนๆเลยในเมื่อผมบอกว่าชีวิตของพวกเราบางครั้งมันเนคขำมะไม่ได้ก็ต้องแหม่จริงก็ไม่อยากดูไพาลูกด <into> ูแต่แม่ตาทะลึงเลยลูกกันดูไม่รู้เรื่องก็ใช้อย่างนี้แหละก็ในเมื่อมันไม่สามารถจะจัดการตรงกลางทางได้เพราะเสียดายค่าตั๋ว ทุกคนก็พอไปกินข้าวก็ไม่อร่อยดลรู้ทันก็ไม่อร่อยดูหนังก็ไม่สนุกดูละครก็ไม่มันไม่อินเอาล ะ, าละงั้นก็เอาตอนจบแล้วกันอย่างเงี้ยผมก็ปล่อยให้ดูให้จบแล้วรีบจัดการตอนจบเลยอย่างน้อยให้มันเห็นคําว่าเรียซากเลรมซากก่อนแล้วมันจะเกิดปัญญาตลบมาตอนแรกพอกําลังจะเริ่มอันต่อไปมันเห็นตอนจบฮะมันเห็นตอนจบ มันเห็นตอนจบเริ่มเป็นเทวดาแล้วเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าแล้วแต่แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนนั้นเห็นอนิจจังฝังเข้ารากลึกในจิตแล้วจึงไม่สุขไม่ทุกข์กับมันอีกนี่คือทำให้จิตเกิดปัญญาอานิจจังขึ้นมาจริ ง, รงเวลาเรานั่งคุยกันหรือเวลาเราผมบรรยายเรื่อง สัพเพสังขาลานิจานะมันโ อ, อ้แต่มันไม่เข้ามันเหมือนท่านหิวแต่เราคุยกันเรื่องอาหารไก่ย่างร้านานั้นรนีคุยแต่เรื่องอาหารอิ่มไหมไม่มีอิ่มจนกว่าจะพาไปกินอาหารหรือไม่บอกวิธีทำแล้วก็ไปทำอาหารกินใส่ปากวิธีนี้คือวิธีการภาวนาเพื่อ จับอาหารยัดใส่ปากให้จิตได้เห็นเองให้จิตได้สัมผัสอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งและอารมณ์ที่เป็นอุเบกขานี่เรียกว่าภาวนาถ้าใครทําจริงจริงจังๆอีกสามปีมาคุยผมฟังได้เลยสุขทุกข์ในชีวิตเดี๋ยวก่อนเริ่มทุกข์ในชีวิต <c oughs> <c oughs> วพวกนี้ชอบสุขทุกข์ในชีวิตหายไปอื้อเลย แต่จะสุขเกิดสุขตัวใหม่เป็นสุขที่ไม่ควรกลัวพุทธเจ้ายืนยันสุกในอุเบกขาเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวโอยเดี๋ยวก็ติดฟังคำพุทธเจ้าสุขที่ไม่ควรกลัวถ้าบอกว่าติดจะมาถากปลว่าทําผิดนะมันจมลงไปจมลงไปแม้แต่อานาปนสติพุทธเจ้าให้รู้ลมยังต้องรู้ว่าลมไหายใยาวสั้นเลยเพื่อไม่ให้จมลงไปเป็นลมพอเกิดปีติก็ไม่ให้กลายเป็นปีติพอเกิดความสุขก็ไม่ให้กลายเป็นความสุข แต่เป็นผู้เห็นปีติเห็นความสุขเห็นอะไรก็ถ้าจะเห็นก็เดี๋ยวก็เห็นมันเกิดดับพอเห็นมันเกิดดับจะไปอะไรยีนังขังขอบอะไรกับมันท่านมาถึงนั่งสมาธิปั๊บวันนี้วันที่สี่แล้วสามสี่นั่งปับ๊บสงบผ่านไปครึ่งชั่วโมงไปโอ้ฝันลังที่สุดยอดเลยทำไมสงบอย่างนี้ไม่รู้ออไปเดินจงกรมได้กาลังใจมาถึงนั่งเหลงที่สอง ตั้งพิดี่เปล่าไม่รู้เมื่อกี้นั่งตรงนู้นคนนู้นมาเอาทีไ่ไปซะสงสัยมันได้สงบแทนเราไปแล้วนี้ยมันอยู่กับอาสนะแล้วไม่ได้อยู่กับข้างใ น, นเหตุปัจจัยไม่พอใจล่ะหยุดก่อนเริ่มต้นรีไวล์กลับไปใหม่เมื่อกี้ออกจากบรรลังที่แล้วทําไมนะโห้อาจารย์นั่งได้สงบมากเลยนั่งมานานแล้วไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อนเลยเหรอ สุขปราณีตจริงๆเลย mm hmm. นี่พออาก mm hmm. สงสัยอยากได้เนี่ยเลยไม่ได้เลยอืม mm hmm. ไม่เห็นสุขเกิดดับ mm hmm. พอเป็นสุขก็ติดสุขถ้าเห็นสุขจะไม่ติดสุขเพราะสุขมันกค่แค่ของเกิดๆดับดับแล้วทำไมทุกข์ถึงเกลียดทำไมไม่เห็นของเกิดเกิดดับดับไม่ได้ให้มันนั่งเอาสุข ให้มานั่งออกับความตั้งมั่นแล้วจะเห็นว่าสุขเองก็เกิดดับทุกเองก็เกิดดับบรลังไหนไหนก็มีค่าทั้งนั้นแหละมันเป็นการเสืงเครื่องสั่งสมความรู้ปัญญาให้เกิดให้เห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งถ้าอย่างนี้ค่อยคุยกันเรื่องพระนิพพานแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้ติดติดหนึบนบนับหนั บ, น บ, นบ ไ, อนไอ้นี่ก็ดีอันี่ก็ดีที่นู่นก็ดีต้องนั่งตรงนี้ต้องนั่งตรงโน้นต้องไอ้นู่นก่อนต้องนี่ก่อนเรียบร้อย เราจะมาละสังโยชน์ไม่ได้มาสร้างสังโยชน์สังโยชน์ก็เยอะอยู่แล้วอย่าสร้างเพิ่มไอ้ที่จะละสังโยชน์สิบก็แทบตายอยู่แล้วนะครับพระโสดาบันยังละได้แค่สามอย่าสร้างเพิ่มเป 11, 12, 13, 14, ็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสี่ขึ้นไปอีกนะทั้งอาสนะทั้งสถานที่ทั้งอะไรหนักกันเข้าไปใหญ่ที่นี้นะสิบพอแล้วเยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นตลบกลับมาเห็นเกิดดับให้ได้ สร้างนิสัยให้จิตใหม่นะครับสร้างนิสัยให้จิตใหม่เฮ้ยของเกิดเกิดดับดับไปอะไรมากนะอ่ะสำหรับบ่ายนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้าแล้วก็มาเข้ามาอีกทีสี่โมงเรามาภาวนาร่วมกันเรามานั่งสมาธิด้วยกันนะครับบ่ายนี้สักชั่วโมงหนึ่งนะไปออกไปฟิตเต็มที่เลยเข้ามานั่งชั่วโมงนะบอกชั่วโมงชั่วโมงสะดุ้ง เดี๋ยวต้องออกไปแบบยืดเส้นยืดสายเต็มที่มันจากันจะเข้ายิม <c ười> แค่ที่นั่งอยู่ก็ชั่วโมงครึ่งแล้ว <c ười> นั่งเข้ามาตั้งแต่บ่ายสามนิ่สี่เข้ามาตั้งแต่บ่ายสองนี่สาโมงครึ่งแล้ว